พระองค์ึชื่อพระครูประลัดเทียนเข้าไปหาในกุฏิพูดค่คอยๆว่าอาจารย์อย่าน้อยใจผมสนับสนุนอาจารย์ทุกอย่างต่อมาชาทุกมีเรื่องอะไรเขาให้ทราบไม่เคยคิดน้อยใจเสียใจท่าจงบอกความจริงให้ทราบทุกอย่างว่าเรื่องนี้รู้ถึงสมเด็จแล้วถ้าสมเด็จสงสัยคงเรียกตัวมาถามถ้าเรียกเมรไรให้ไปบอกผม ผมรู้เรื่องของอาจารย์มดแล้วในที่สุดสมเด็จก็ไม่เคยพูดสักคำไม่เคยถามสักอย่างมีแต่สนทนาธรรมะเป็นนิดได้มีปัสนเทศเกิดขึ้นมีใจความบาพระกูธรรมสารชอบแต่งคำพีพระอาจารย์ลีชอบคุยกับแม่ออกมหาเปรมหัวงอกอยากเป็นสมพารหลงตาปานขี้คุยธรรมะหนังสือสนเทศฉบัพนี้ พระครูธรรมสารได้ถูกซักไซ้เกือบแย่คือหาว่าพระครูเป็นคนด่าเราในที่สุดเราไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยดูเหตุการณ์ต่างๆรู้สึกไม่เหมาะสมใดเรื่องแต่เราไม่สนใจเอาออกปรรษาแล้ววันหนึ่งมหาณารงได้มาเยี่ยมสมเด็จแล้วลงมาขอจดหลักฐานจากใบสุทธิเสร็จแล้วไปเรียนสมเด็จว่าจะขอสมะสักให้เป็นพระครู ซึ่งสำนักงานมหมามกุฎได้ทาบถามมาสมเด็จได้รีดตัวไปถามบาเขาว่าอย่างนี้เราว่าอย่างไรจรึงตอบบาก้าว เ, เป็นพระไม่จำเป็นไม่อยากเกี่ยวข้องในเรื่องนี้แต่ไหนจะได้ามานึกถึงแต่การสร้างความดีให้แกมูลคณะเท่านั้นท่านจึงพูดว่าเราจะตอบเขาเองเรามาท่านได้เล่าคาตอบให้ฟังว่า พระอาจารย์ลีนี้เธอมาอยู่กับเราเพราะเราเป็นคนเรียกตัวมาเธออยู่ด้วยความเคารพนับถือเราพวกท่านจะมาตั้งสมณศักดิ์ให้เธอเราถือว่าจะมาไล่พระอาจารย์ลีนี้หนีไปจากเราท่านว่าท่านจะตอบอย่างนี้เราก็สาทุพอใจในที่สุดก็ยกเลิกกันไปในปีนั้นเรามาออกภรษาสมเด็จบรรเทาป่วย ปฏิกาบลาเดินทางออกไปวิเวกอีกตามเคยปีนี้เป็นปีครบรอบหนึ่งร้อปีในการที่ได้สร้างวัสุ ป, ปัตวรณารามจังหวัดอุบลราชธานีสมเด็จได้รับสั่งว่างานนี้ให้คุณขึ้นไปช่วยเขาฉันจะให้พระปรมทาตุที่เธอสวายไปเป็นเครื่องะระลึกของวัดด้วยพูดแล้วท่านได้ตวรวจดูพระปรมทาตบนที่บูชาซึ่งอยู่เบื้องบนเจสัตถ์ท่านปรากฏว่า มีพระพรหมท่าสเสด็จมาอยู่ในครอบแก้วเป็นจำนวนสื่สิบพระองค์จึงได้ยกมาถวายท่านท่านรับสั่งว่าแปลกแปลกตั้งแต่ระบิทมาไม่เคยปรากฏอย่างนี้จึงให้คัดเลือกเอาของเราและของคุณไปด้วยไม่ได้พูดสั่งอย่างนี้ก็ได้ตั้งใจและฉลองพระคุณท่นนานงานสมโพธวมสุ ป, ปัตครังนี้ได้กลายเป็นงานใหญ่ตขึ้นทางราชการได้มอบเงินให้ข้อหนึ่ง เพื่อเป็นการฉลองวัสุปัตครั้งนี้ได้กําหนดการออกเดินทางจากจังหวัดพระนครในวันที่18มีนาคมในหมายกําหนดการมีจอมพลผินชุนหวันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและพลโทหลวงสวัสดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานก็ได้ร่วมไปในงานนี้วันหนึ่งได้เดินทางไปจังหวัดอุบลฯแล้วได้ทราบข่าวว่ามีการเปลี่ยนแปลงวันกําหนดการ จึงได้รีบกลับมาจังหวัดพะนครเมื่อมาถึงสมเด็จได้เรียกตัวไปหาว่าเขาเปลี่ยนแต่งกาหนดวันเดินทางแล้วให้คุณออกเดินทางไปตามกระบวนเขาฉันจะมอบพระบรมธาตุไปให้เป็นภาระของตัวชวนตัวเองไม่ได้พูดว่าอย่างไรในที่สุดกลับมาตรองรู้เหตุการณ์ที่กุติแอวเราจะทําตามไม่ได้จึงได้กราาเปลี่ยนท่านว่ากล่าวไปไม่ได้เพราะใบกําหนดการ ซึ่งกระทรวงได้กำหนดขึ้นเป็นตาขุดว่าวันที่สิบเจ็ดจะตั้งให้ประชาชนชมมาบัดนี้ล้มโครงการหมดก้าวแจกใบกำกับการไปแล้ววันที่สิบเจ็ดคงมีคนมามากเมื่อกล้าปไปเสกโนก็ต้องถูกตำหนิเหตุนี้ก้าวจึงไม่ไปพระผู้ใหญ่ต่างก็จะไม่ไปคือนายเฉาเป็นคนขอเหตุไม่ได้แจ้งให้คณะสงทราบคือเรื่องมีว่า จอมพลพินได้ปรบ่าเราค่อยๆเดินทางไปพักที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อโปรโดโอกาสให้นณะทหารตำรว จ, าจาการจัดการและพาา่อค้าประชาชนได้มีโอกาสนรรมชการพระบระมาธาตุเสียหนึ่งคืนก่อนเหตุนี้กำหนดการจึงผิดไปในที่สุดในกระบวนแรกก็ไม่ได้ไปด้วยเพราะท่านสั่งบ่าให้คุณอยู่ถ้ามีคนมาก็ให้เอาพระบระมาธาตุให้ชมที่ศาลาก็แล้วกัน เป็นอันตกตรงกันตามท่านสั่งวันนุ้งขึ้นได้จัดพระบรมธาตุสีมุกดาหารสามองค์โตก ว, วา่าเมล็ดพักกาบไปใส่ภาชนะแก้วให้ญาติโยมชมที่สาระอุรุพงศ์คนนั้นคนนี้ก็อยากดูเพราะไม่เคยเห็นพอเปิดสัมฤทออกเห็นสามองค์คนนั้นก็แย่คนนี้ก็หยิบเลยหายไปสององค์หรือเพียงหนึ่งองค์พอถึงวันที่สิบปดก็ได้ขึ้นรถตุลไปจังหวัดอุบลราชธานี มีคนติดตามภไปรวม14คนพอไปถึงจังหวัด อ, อุบลราชธานีแล้วก็ได้ไปทำพิธีฉลองสมโภธิพร้รอมทั้งฝังศิลาฤกษ์เป็ดมหาเถระที่จะสร้างขึ้นในวัสุ ป, ปัตยู่มาค้นหนึ่งได้มีปรากฏการขึ้นในเวลาประมาณสีทุ่มเศษกำลังนั่งสมาธิอยู่ในโบสถ์เวลานั่งหลับตาได้บังเกิดแสงวาววาขึ้นเหมือนแสงนิออนเปิดเปิ ด, ป ด, ดับดับ ทางคนต่างพากันลืมตาขึ้นก็ปรากฏว่ามีคนเก็บพระบรมธาตุได้สองสามคนพอดึกเข้าก็มีปริมาณมากขึทุกทีมีคนนั่งอยู่ประมาณห้าสิบคนชักให้เกิดความสงสัยและจะงนสนเท่แก่คนภายในและภายนอกโบสถ์โดยลำดับเมื่อดึกพอสมควรได้หยุดพักรุ่งขึ้นเวลากลางวันก็มีเรื่องอื้อฉาวขึ้นในตลาดแล้มีชายคนหนึ่งซึ่งไม่เคยเข้าวัดเลยมาล่าว่า เมื่อคืนฝันเห็นดาวตกที่วัสดุอัดเยอะแยะนึกว่าคราวนี้ถ้ามีสิ่งใดสังศิทธิ์ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสานาก็ขอจงได้แสดงออกมาเมือมาตอนเย็นมีนายพิษประมงจังหวัดได้นําเพื่อนครูหญิงคนหนึ่งมาหาครูคนนั้นได้มาสนทนาสอบถามอย่างโลภโหนและจกขอลาสามีขอติดตามหลวงพอ่อเพราะหลวงพ่อพูดธรรมะเป็นอย่างอัศจรรย์จึงตัดสินใจว่า จะหนีจากบ้านให้ได้ในคราวนี้ส่วนสา ม, มีของเขาที่นายประสงค์ทำงานอยู่ธนาคารอมสินจังหวัดอุบลเป็นคนนับถือทิ่ศาสนาก็เขาใจว่าภรรยาเป็นคนมีจิตผิดปกติจึงคอยติดตามอยู่เสมอมีคนมาบอกว่าเขาถือกริชแต่ทำไมมานั่งอยู่ในโบสถ์ทั้งโผ่ทัามีครูคนนี้เกิดจิตใจ ห, ห้าวหาญขึ้นมากได้เข้ามานั่งใครเหลาประมาณสองศอก ตัวเรานั่งบนเก้าอี้สามีนั่งห่างไปประมาณห้าหกศอกมีคนนั่งอยู่ด้วยประมาณห้าสิบคนจึงได้ตั้งอธิษฐานว่าวันนี้ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงช่วยข้าพเจ้าเพราะมีข่าวลือเกี่ยวกับพระบรมธาตุเกิดขึ้นว่าพระอาจารย์ลีมีอุบายหลอกลวงให้หลงเชือ่อพอทราบข่าวอย่างนี้ไม่มีที่พึ่งอันใดนอกจากทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะช่วยได้ หากนี้เช่นั้นแล้วพระพุทธศาสนาจะได้รับการดูหมิ่นเหยียดยามขณะนั้นมีพระอริยะคุณนาธานนั่งอยู่หน้าพระประธานรักนอกนั้นหนีหมดเพราะเป็นเวลาดึกแล้วหลังจากนั้นได้สั่งใทุกคนนั่งเข้าสมาธิแล้วพูดว่าถ้าใครไม่เชื่อให้นั่งดูอยู่นิ่งๆพอสักคู่หนึ่งก็รู้สึกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาวนเวียนอยู่รอบๆ เขาได้บอกโยมทุกคนให้ลืมตาขึ้นและบอกในประสงค์สามีของครูคนนั้นว่าลืมตาดูอาตมาอาตมาจะลุกขึ้นเดี๋ยวนี้พูดเสร็จก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ยื่นสะพัดจีบอลได้อัชนาให้เขาดูขณะเดียวกันก็นึกถึงเทพ ย, ายดาให้ช่วยละให้เขาดูมินศาสนาของเราได้แล้วพูดดังๆว่าโยมพรมะบรมาาเสด็จคนที่นั่งตรงหน้าฉันนี้จะได้ระทา แต่เมื่อรืมตาแล้วอย่าไหวตัวฉันเองก็ไม่ไหวตัวผู้เสร็จได้ยินเสียงวัตถุชิ้นหนึ่งตกลงมาบนพื้นบดมีโยมหญิงคนหนึ่งลุกขึ้นจากตะคุกเมื่อตะคุกเขาวิ่งหลุดจากง่า ม, มือมาใกล้ที่นั่งเรามีคนอีกคนหนึ่งวิ่งตามมาเราจึงร้องห้ามไว้ต่อมาวัตถุนั้นก็ได้เล่นไหวตัวไปตรงหน้ายิงที่เป็นครูจึงพูดว่าของคุณ ไม่ประสงค์ดูให้ดีครูคนนั้นหยิบวัตถุนั้นขึ้นมาเป็นหัวแวนสวยงามสิ่งนั้นคือเครื่องส ก, กาดดาพระบรมธาตุครูคนนั้นบางคาวก็หลับตาบางคาวก็ลืมตาแต่เขาพูดว่าลวงพ่อพาฉันไปนั่งบนยอดเขาฉันนั่งเห็นแต่โครงกระดูกของฉันเองแต่ฉันอยู่ได้อย่างไรได้เงินเดือนเดือนละห้าร้อยบาทไม่มีสุขเหมือนนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ ได้พูดปแปลกแปกขึ้นทุกทีในที่สุดคือวันนั้นมีคนได้พระปรมทาตไม่ถึาหกสิบคนทุกคนลืมตาดูในที่สว่างทั้งหมดเมื่อสว่างเช้ามืดมีนายแพร่ไก้กำเอาพระปรมทธาตมาถวายอีกหนึ่งชุดเขาบอกว่าได้มาเมื่อคืนนี้ซึ่งเหล่านี้ได้มอบพัสมบัติของวาสุพัทธ์งานคราวนี้มีห้าวันห้าคืน วันหนึ่งเป็นวันถวายภาไทยแก่พระที่ไปในงานคนในเมืองอุบลที่ยังสงสัยเราอยู่มีหลายคนแต่เขาไม่พูดเปิดเผยคนที่เปิดเผยคือแม่ทองมวลเสียสกุลได้อธิษฐานว่าถ้าอาจารย์องค์นี้ปฏิบัติดีจริงเขาให้ภาะไทยของแกตกแก่พระอาจารย์องค์นี้เมื่อทำการจับสลากกันแล้วผลปรากฏว่าพระไทยของนางทงมลได้ตกแก่เราจริงๆ พองานนี้เสร็จเรียบร้อยก็เดินทางกลับกรุงเทพแต่เดี่ยวจะเด็กไปในสถานที่ต่างๆถึงเวลาเข้าพรรษาก็ได้มาเฝ้าสมเด็จอีกตามเคยพรรษานี้อาการอภายของสมเด็จหนักมากขึ้นการนั่งสมาธิมีน้อยมีแต่นอนทำเรอมาออกพรรษาแล้วสมเด็จก็มรณภาพในระหว่างพรรษาสมเด็จอภารมากหืดกําเริบนอนไม่หลับวันหนึ่งเวลาประมาณตีสองได้พระมาตามเรา พระเนนวุ่นวายไปทำ ม, มกันท่านสั่งไปรับหมอมาโดยเร็วเจ้าคุณสุมเมธีให้ประไปตามโดยด่วนให้เรามาพูดกับสมเด็จเพราะพระองค์อื่นพูดไม่เชื่อเพราะเป็นเวลากลางคืนดึกดื่นจะไปตามหมออย่างไรจึงได้ขึ้นไปถามดูว่าวันนี้พระเดชพระคุณทั้นยากี่เม็ดกี่เวลายาอะไรท่านรับสั่งว่ามีอาการหายใจไม่ออก ได้คำดูตามตัวปรากฏวาร้อนเผาจึงจับได้ข้อนหนึ่งว่าท่านฉันยาเกินไปหนึ่งเม็ดหมอสั่งให้ฉันเวลาละหนึ่งเม็ดท่านขีเกียจฉันสองคนเลยฉันรวมทีเดียวสองเม็ดอาการกระตุกแน่นหายใจไม่ออกเราจับเหตุนี้ได้เลียนถวายว่าอาการอย่างนี้เคยพบผ่านมาไม่เป็นไรหยิประมาณสิบ้านาทีจะสงบสักครู่ท่านกลับตาทาสมาธิ พระเนนเฝ้าอยู่หลายองค์ท่านรับสั่งวา่าสบายดีแล้วไม่ต้องตามหมอปอะมาอีกหลายวันโรคเกิดกำเริบอีกตอนนี้ออกภาษาแล้วอาการป่วยหนักขึ้นมีอากาศเย็นเป็นเวลาฤดูหนาววันหนึ่งตอนเชา้าก็นเนไดเนไปตามเรากำลังมีแข่เนนก็ามาบอกท่านถามเนนว่าอาจารย์ลีอยู่ไหมเนนตอบว่าอยู่ถ้าอยู่ ไม่ต้องมาเราสบายถ้าไปนอกวัดให้เบตตามมาประมาณบ่ายประมาณห้าโมงย็นให้เนรไปดูอีกแต่เนนไม่ได้บอกเราเพราะกำลังนั่งสมาธิเนรมานมัสการบาท่านอาจารย์ลีอยู่ประมาณครู่เดียวเแล้วประมาณหกโมงเยนเนรมาตามอีกตอนนี้เราจึงลีบขึ้นไปเมื่อขึ้นไปพบแล้วท่านก็รับสั่งอะไราหายอย่างเกี่ยวกับวัดเพราะเสร็จการพูดสนทานากันท่านก็เงียบ เราลงไปพักสักครู่เดียวก็เกิดเอกไอเกินขึ้นอีกจึงรีบพินัยมีปรับปฏิบัติหนึ่งเจ้าคุณทําผิดกหนึ่งมองดูอาการเห็นจำไม่ไวท่านนินต่างพากันแตกตื่นหมอก็วุ่นวายในที่สุดดูอาการป่วยของท่านเห็นว่าหมดหวังจึงพูดห้ามหมอภากอย่ายุ่งคือหมอเอามือล้วงคอเอาเสล็ดออกแต่ไม่เกิดผลจึงห้ามใหหมอหยุด สักครู่ก็สิ้นลมหายใจเมื่อได้ํำระศพเรียบร้อยแล้วทางคนทางหาือซึ่งกันและกันวันรุ่งขึ้นเตรียมการส่งน้ำต่อมาคณะกรรมการส่งได้ทำบุญถวายคณะกรรมการส่งได้มอบให้เราเป็นเจ้าหน้าที่โรงครัวก็รับปากกับคณะส่งมีคุณนายตุลโกสัญยวิทย์เป็นผู้ช่วยในระหว่างเจ็ดวันแดไม่มีการเบิกจ่ายเงินจากกองกลางเลย มีแต่คนช่วยทำบุญอยู่ถึงห้าสิบวันในระหว่าง5้าสิบวันนี้ได้เบิกเงินกองกลางมาจ่ายบ้างเมื่อทำบุญห้าสวันเสร็จแล้วนึกว่าเราจะต้องไปวิเวกพักผ่อนบ้างจะได้ออกเดินทางไปจังหวัดลำปางในวันที่สิบเมษายนเนื่องในงานผูกพัทสิมาว่าสาราญิวาแล้วได้เป็นทำบุญอยู่เป็นเวลาหลายวันเสร็จงานนี้แล้ว ได้เข้าไปผักในถ้าพระสบายโรกระเพาะเกิดกําเริบมีอาการายทองปวดท้องไม่กําลังมีข่าวลือมาถึงจังหวัดลําปางว่าหลวงพ่อแย่วันหนึ่งได้เข้านอนในข้างในเห็นก้อนหินก้อนหนึ่งจุกดูปากถ้ำซึ่งประมาณสิบวาจึงเกิดความคิดว่าอยากสร้างพรตเจดีย์ในถ้มนี้ให้ร้องสั่งใญาติโยมครับก้อนหินก้อนนี้ให้หลุดออกจากปากถ้ำชิ้นก็หลุดจริงๆ ช่วยกันขุดหลุมตีต่อยหินจนถึงเวลาบ่ายประมาณหนึ่งโมงมีรถจนจากลำปางไปรับว่ามารับไปโรงพยาบาลแต่เราหายแล้วไม่รู้ตัวได้บอกเขาว่าจะสร้างพัจะดีก่อนจะกลับจากถ้านี้ได้ยืนหน้าถ้าหมองไปทางทิศตะวันตกเชียงใต้มีทิวป่าเขาเขียวสะอุ่มเมื่อเห็นต้นไม้เขียวสดดีก็นึกถึงต้นโพว่าถ้าได้มาปลูกสักสามต้นจะดีมาก ได้พูดกับพระเนยอย่างนี้และออกเดินทางกลับลําปางแล้วเดินทางมาจังหวัดอุตรดิษฐ์เพราะมีโยมขึ้นบิณฑามให้กลับอุตรดิตฐ์ด่วนเพราะมีสิบแก่คนหนึ่งอายุมากเป็นหญิงได้เกิดเป็นโรคจิตบุงสาบมาหลายวันได้มาพักช่วยเหลือให้อยู่พอสมควรก็เดินทางมาพักอยู่จังหวัดพิษณุโลกพักอยู่ที่วัดราชบุรณะใกล้บ้านบุตรปณธรรมคนหนึ่งเรื่องบุตรุญธรรมนี้ น้าเลาสู่กันฟังแต่เป็นเรื่องที่ได้ผ่านมานานแล้วตั้งแต่ครั้งไปจำพรราบ้านผานเด่นแสนกันดานในคราวก่อนแม่คนนี้ชื่อเฟืนสามีชื่อมหานอมวันหนึ่งได้ไปอบรมสมาธิอยู่วัดป่าอรัญญิกไกลจากจังหวัดพิศนุโลกประมาณหกิโลเมตรมีข้าราชการพ่อค้าประชาชนเป็นนั่งสมาธิกันหลายคนอาทิผู้กำกับการตารวจ หลวงสัมลิหลวงจืนขุนเกษมร้อยเอกแพลวล้วนเป็นผู้พากฝ่ายในธรรมปฏิบัติขณะ ก, กำลังนั่งสนทนาทำกันอยู่ก็มีคนไปตามบอกว่าเขานิมนต์ไปเยี่ยมคนป่วยที่บ้านก็ได้รับปากกับเขาผู้กำกับการตำรวจได้นำไปส่งให้ถึงบ้านคนป่วยเมื่อไปถึงบ้านเขาเขาเล่าว่ามีพระทุง อ, งองค์หนึ่งเดินทางมาจากภาคเหนือ มาทำน้ำมนต์ให้ท่านบอกว่าฉันรักษาไม่หายโรกโยมจะมีพระองค์หนึ่งมาโปรดโยมใน เ, เร็วๆนี้แล้วท่านก็เดินทุดงต่อไปพอมหานอมทราบว่าเรามาเขาตามไปจนพบได้สนทนากับมหานอมเขาเล่าว่าแม่ศฟื้นภรยาเขาคนนี้เป็นโรคเกิดในสมัยอยู่ภัยได้ป่วยมาเป็นเวลาสามปีแล้ว ชี้จ่ายหมดเงินไปแปดพันกว่าบาทแล้วก็ยังไม่หายนอนอยู่จางนี้มาสามปีแล้วลุกไปไหนไม่ได้พูดไม่ได้เนิ่นปีแล้วแม้จะไหวตัวก็ไม่ทออเมื่อได้ฟังมาหานมเล่าแล้วก็ตอบเขาว่าฉันจะไปดูพอเราเดินผ่านเข้าในธรณีประตูเห็นคนป่วยยกมือไหว้ผับผับเราไม่ได้กลัวภาวะเขาเป็นอย่างไรได้นั่งสมาธิแม่เฟรนได้พูดขึ้นสองสามค แกไหวตัวยกมือไหวจงกระทั่งลุกขึ้นนั่งหมอบอยู่กับหมอนได้เขาบอกว่าให้หายหมดกรรมหมดเวรวั น, นนั้นสั่งให้แกหยิบไม้ขีดจุดบุรีถวายแกก็ทำได้วันน้องขึ้นสั่งแม่ไข่ปรอนข้าวให้หาข้าวหาแกงวางไว้เขากินได้เองสามีเขาเองเป็นผู้ไปถวายอาหารเราพอกลับมาถึงบ้านเห็นแม่ฟืนกินข้าวหมด ล้างถ้วยชามได้เรียบร้อยลุกขึ้นขาดได้พอตอนบ่ายไปเย็บอีกเห็นญาติโยมของเขายื่นมอหาไปบ้านมหานมว่าจะไปเอาน้ำมนต์วิเศษเมื่อเห็นดังนั้นเราลำบากใจจึงรีบออกหนีเดินทางกลับแต่ได้มีจดหมายถามข่าวๆอยู่เสมอประมาณเดินเศษแม่ฟืนลุกขึ้นเดินได้ปีที่สองไปวัดใส่บาทได้ปีที่สามได้ติดตามมาอยู่วัดปรมนิวาร เดินจากหัวลําโพงถึงวัดปรมหลเดินจากที่พักขึ้นศาลาฝังเทศได้เป็นปกติดีมีเป็นเรื่องที่น่าประหลาดจยางหนึง่งในสมัยที่เดินทางไปจังหวัดอุรีรัม์นั้นได้เดินทางไปจังหวัดกพชบูรณ์เพื่อไปเยี่ยมศิษย์ซึ่งไปตั้งสํานักอยู่ที่อำเภอลมกํามีนายอำเภอปินเป็นผู้อุปการะได้พักพรวิเมกอยู่ประสมควรก็เดินทางเข้าดงขึ้นเขาลงห้วยไปหลายคืน ตกถึงเขาลูกหนึ่งต่อจากนั้นได้ออกเดินทางไปตามเนินเขาเดินทางไปถึงเขาสูงลูกหนึ่งมีป่าเต็นรังตรมมองเห็นยอดเขายอดหนึ่งสูงเรี่ยวเขาเรียกว่าเขาหอส่วนเพื่อนได้ออกเดินไปลวกหน้าเราเดินตามหลังพอไปถึงเขานั้นรู้สึกว่าใจสบายนึกไปถึงสมบัติอันหนึ่งซึ่งเป็นเหตุหรือวิสัยว่าเรา อยากจะ บ, บินไปยอดเขาหอยืนตัวตรงสะพายบาตอยุบทั่วหนึ่งได้เกริมฝันเห็นข้อเมร้อยต่าลงมาจากอากาศได้ยินเสียงดังไปแว่วว่าท่านยานึกถึงขราวเป็นเองแล้วนิมิตก็หายไปเวลาเดินทางคราวนี้หิวน้ำจัดที่สุดก็อรอบทางเดินมีแต่ฝนมาจิ้งจอกเพราะห่างบ้านคนมากก็ได้เดินทางเรื่อยมา มาพักอยู่บ้านวังน้ำใสเดินพุ่งไปข้ามห้วยคำดงเมื่อพ้นจากดงก็ถึงภูผาบิงซึ่งเป็นสถ า, านที่ที่พระอาจารย์มัน่นเคยมาพักอยู่ที่นี่มีรรมแล็กๆเล็กๆเล็กพักอยู่หลายวันระหว่างพักอยู่นี้วันหนึ่งเวลากลางคืนยืบสงดนั่งสมาธิแล้วเพิมไปคายลืมตัวปรากฏเตุการณ์ขึ้นว่ามองเห็นยอดเขาสูงยอดหนึ่ง มีต้นไม้อยู่หลายตน้นอยู่ทางตะวันตกของภูกระดึงมีบุรุษคนหนึ่งรูปร่างใหญ่โตสูงนุ่งผ้าเหลืองแกะเอามือคว้าบนอากาศเราไปยืนอยู่ใต้หลักแหล่แกบอกว่าตอไปมีมนุษย์จะลำบากจะเกิดโรคตายด้วยน้ำเป็นพิษน้ำเป็นพิษนี้มีอยู่สองชนิดคือหนึ่งน้ำหมอกน้ำค้างเมื่อตกลงมาในนา คุณภาพของข้าวจะเสื่อมคนกินอาจเกิดโรคสองเกิดจากน้ําฝนถ้า พ, พบน้ําฝนแปลกยาชันให้สังเกตัดดงนี้ขอ้ขอคน้ําฝนสีแดงข้อคน้ําฝนสีเหลืองมีรสปิดธรรมดาน้ําฝนที่มีลักษณะดังนี้ถ้ากินเข้าไปจะเกิดถ่ายทองเกิดเป็นเม็ดพืนคั น, นถ้ากินมากเข้าก็อาจถึงแก่ความตายมีข้อหนึ่ง ข้อ 2. แกเอามือชี้ไปทางทิศตันออกเฉียงเหนือเห็นน้ำทะลุขึ้นจากผ่นดินน้ำนี้ไหลไปถึงที่ไหนมนุษย์จะเกิดโรคภัยให้เจ็ดถ้าใช้น้ำนี้รดพผลไม้ผลไม้จะเกิดโรคอายุมนุษย์จะสั้นเข้าทุกทีข้อสได้ปรากฏเหตุการณ์บนยอเขาพอแกยื่นมือออกไปทางไหนต้นไม้ทางนั้นก็หักเป็นอนาวจึงถามว่าเรื่องอะไรแกตอบว่า ผู้ใหญ่ที่ไม่มีสินธรรมจะลำบากในการข้างหน้าจึงได้ถามว่าเรื่องราวอย่างนี้แก้ได้ไหมเจ้าต่าว่าโรคที่เกิดจากน้ําแก้ทันไม่เป็นไดถ้าแก้ไม่ทันต้องตายภายในสามวันห้าวันเก้าวันถามว่าตัวอัตมาจะเป็นอย่างไรเจ้าต่าว่าตัวทันไม่เป็นอะไรเพราะท่านรู้จักบุญคุณของผู้ใหญ่จะบอกยาให้หนึ่งขนานถ้าท่นานทราบข่าวว่าโรคเกิดขึ้นที่ใดให้รีบไปช่วยโดยเร็ว จึงถามว่าท่านบอกอยาให้เขาเองไม่ได้หรือแกต้องได้แต่ไม่เกิดประโยชน์แต่ท่านต้ประกอบยาเองให้เอามะขามมาปอกเปลือกออกแช่น้าเกลือแล้วรินน้ำให้กินหรือจะใช้น้ำกระเทียมดอกกินอาการโรคก็จะหายแต่ท่านต้องทําเองเขาบอกต่อไปว่าเขาชื่อสันจิตโจเทวะบุตรเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อพศ2496 พออกเดินทางจากภูผาบินมาพักอยู่ที่มืองหนึ่งชาวบ้านบอกเ่าเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดคือเมื่อคืนนี้มีหมอกไหลผ่านไปในส่วนบายาบายาร่วงโรยไปหมดอีกครั้งหนึ่งที่อำเภอเทืนจังหวัดลำปางชาวบ้านได้เราน้ําฝนมีศีชากินตายไปสิบกว่าคนทั้งสองเรื่องที่ได้ฟังรู้สึกว่าแปลกเพราะตรงกับเรื่องที่ได้เคยฝันพราจากนั้นได้เดินทางไปอำเภอวังสพุง แล้วเดินทางขึ้นภูกระดึงอันสงใหญ่ไปพักอยู่ที่ทินเขาหนึ่งคืนมีลูกศิษย์ติดตามไปด้วยคือเด็กสคนท่าสามองค์ได้เดินทางขึ้นภูกระดึงถึงสันแปงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มเดินจากสันแปงไปที่พักราวสามกิโลเมตรเรเมื่อขึ้นถึงยอดเขาอากาศเย็นเฉียบหนาวมีผาสนวันนั้นพอปีนถึงยอดเขาฝ น, น, าา น, น, น, น, านก็ตกจึงพากันเดินหาที่พักเห็นขอนต้นสนต้นหนึ่งล้มอยู่ในปาา่าหญา ก็ได้เพื่อไปนอบนคอนมีทั้งฝนทั้งลมคืนนั้นเป็นอันไม่ได้รับนอนพระเนรนี้ประลบอยู่ที่อื่นพอสว่างขึ้นก็เดินหากันเมื่อได้พบกันแล้วได้ไปหาที่พักพบท้าเล็กๆแห่งหนึ่งมีลานหินสวยงามมีบอ่อน้าเล็กๆบอ่อหนึ่งฝนตกลงมาคืนนั้นน้ำเต็มบอ่อพอดีได้อยู่วเวกดูสถานที่ใหญ่กว้างมีต้นสนมามีหญ้านา มีความยาวประมาณเจ็ดกิโลเมตรกว้างประมาณเจ็ดกิโลเมตรเมื่อขึ้นไปบนนั้นรู้สึกแล้วกับว่าเราอยู่บนพื้นดินแต่ต้นไม้อื่นไม่เกิดมันเกิดอยู่ตามเชิงเขาสันนิษฐานว่าเป็นเพราะบนยอดเขานี้เป็นพา ร, รานินเสธโดยมากพอสังเกตดูต้นสนที่ล้มลงรากต้นสนแย่ลงตามซอกหินสถานที่นี้อยู่วิเวกสงัดสบายดีถึงเวลาประมาณบ่ายห้าโมงวันไหนฝนไม่ตก พานออกมานั่งสมาธิบนลานหินนึกว่าเราไม่อยากกลับเมือนมนุษย์อยากอยู่ตามป่าตามโด่งอย่างนี้ถ้าสามารถเป็นไปได้ขอให้พ ร, ระเจ้าสําเร็จในทางอิทธิฤทธิ์ถ้าไม่สําเร็จขอให้สิ้นภายในเจวันขอให้นิพพานในวันที่เจ็ดนิจฉนั้นขอให้เทพเจ้าชักจูงให้ไปอยู่ในเวกห่างซุมนุมชนชักสมปีเมื่อคิดชะนีคิดยังไม่ทันเสร็จ ฝนตกลงมาทุกทีจึงต้องกับเข้าทําำมีเพื่อนพระองค์หนึ่งชื่อครับป ร, ปรสัสีไม่เคยเดินดงไปไหนระหว่างทางชอบขายข้าวขายของเราก็รำคาญคือท่านชอบคุยเรื่องทางโลกมากเมื่อเดินทางไปพบบ้านใดกันดานก็เอาเรื่องรบปรีมีปลาชุมมาเล่าให้ชาวบ้านฟังเล่าว่าปลารารบปลีส่งไปขายทึจังหวัดชายภูมิได้ฟังแล้วรู้สึกรำคาญใจ เพราะเราไม่ได้มาค้าขายเรามาวิเวกต้องคอยเจินอยู่เสมอแต่ท่านมีพวาสามารถกว่าเราเมื่อขึ้นไปอยู่บนเขาก็ชอบก่อไฟผิงไฟเวลาเรานอนถ้าเรายังไม่นอนก็ไม่กล้าผิงไฟแล้วก็คุยกันมีนายมั่นกับนายมโนร่วมวงด้วยอยู่ได้หลายวันก็ชักแต่ไม่สงบวันแรกสบายดีไม่มีใครพูดคุยกันเพราะโกเสือช้าง เพราะเขานี้มีเสือและช้างมากได้พักอยู่ห้าคืนพอดีเข้าสารนดจึงเตรียมการเดินทางกลับเมื่อลงจากเขาแล้วได้นั่งพักอยู่พื้นราบมีลูกน้ององังรัลังเอาเสือมาปูแล้วนิมนต์ให้นั่งเ่าไม่นั่งจึงนิมนต์ปราศัยไปนั่งท่านไปนั่งได้สักครู่หนึ่งได้ยินเสียงฟ้าร้องทั้งทั้งที่มีแสงแดดพร้อมๆกับเสียงฟ้าร้องยิ่งไม่รังก็หักลงจากต้น กล้ศีสะพระปรัศีประมาณหนึ่งคืบ ป, ประดัศีหน้าเสียได้บุกขึ้นเราจึงพูดว่านั่นแหละการไม่สํารวมมักมีเหตุตั้งแต่นั้นมาพระประดศีเลยเป็นผู้สงบเท่จาจักนี้ได้เดินทางมาพักอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งใกล้ผานกเขาตอกเวลาค่ําดึกสงัดลูกศิษย์เหนื่อยอ่อนพอตกดึกได้ยินแต่เสียงเดินบุกป่าบุกหลงรุ่งขึ้นได้ถามพระที่ไปด้วยว่า เมื่อคืนนี้ทำอะไรกันได้รับตอบปลาได้ขโมยกินน้ำตาลของหลวงพ่อหากมาหลายวันแล้วไม่เห็นฉันเลยต้องกินกันหมดเมื่อฉันทางหันแล้วพาคันออกเดินทางข้ามดงใหญ่เดินมาได้หนึ่งกิโลเมตรก่อนจะออกเดินทางตั้งใจไว้ว่าเราจะขี่รถของเราเองให้ถึงอาเภอชุมเพรซึ่งอยู่ห่างจากที่พักประมาณแ0ดิบกิโลเมตรว่เราจะไม่ยอมขึ้นรถจะเที่ยไปเวกไปตามป่า คิดอยู่ไม่กี่เดือนใจก็มีรถยนตคันหนึ่งวิ่งสวนเลยไปจอดอยู่ข้างหน้าประมาณสี่ห้าเส้นเห็นผู้หญิงวิ่งมาจากรถบอกว่าขอนหมนุนขึ้นรถเพิ่งซื้อมาใหม่ๆมองดูหน้าประเน ล, ล้วนอยากขึ้นแต่เราไม่พาขึ้นเขาอ้อนวอนอยู่นานก็ไม่ยอมขึ้นพวกเราพากันแบกกดสะายบาดเดินไปทั้งร้อนทั้งแดดเดินไปประมาณสี่กิโลเมตรเห็นเขามีสารเจ้าอยู่ข้างหน้า จึงหยุดพักตรวจดูถำ้ำมีหญิงอุ้มลูกมาคนหนึ่งสพายตะโกนมาสามตัววางไว้ใกล้ที่เราพักนึกอยากวินตบาตะโกนกับแก่แต่ไม่กล้าออกปากพักอยู่ครู่หนึ่งมีรถรอะสะัพอวิ่งมาจากจังหวัดเลยได้รับเอาในมั่นกับปราะศรีในรถมาด้วยคนขับรถกระโดดลงจากรถวิ่งมาหาเขาพูดว่าเห็นท่านเดินถนนมาหลายวันแล้วขอนิมนต์ขึ้นรถเขาได้อ้อนวอนอยู่หลายนาทีบอกว่า ไม่ได้คิดค่ารถทั้งหมดรวมทั้งลูกศิษย์ด้วยลูกศิษย์ต่างเดินอยู่ข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มีจึงตอบว่าขอบใจฉันไม่ขึ้นลูกศิษย์เลยต้องพากันลงจากรถเดินทางผ่านเข้าดงหลานรงนี้เป็นป่าดงดิดพอถึงเวลาประมาณบ่ายห้าโมงราบจัดสีก็เกิดเป็นโรคติดจึงได้อนุญาตให้ขึ้นรถไปพกักคอที่เพื่อชุมแพนายมั่นก็เดินไม่ไหวขย่องขยแง ก็แดงนุาตขึ้นรถไปคอยอยู่ที่ทมมอำเภอจุมเพอรกลงวันนั้นเดินด้วยกันสามคนคือเราพระจูมและนาันโมนเดชชาวอุตรดิต์เมื่อถึงที่พักเป็นเวลามืดประมาณสองทุ่มเรียกว่าบ้านกระทุ่มอาที่พักลาบากไเป็นพักในป่าใกล้น้ําแห่งหนึ่งตื่นเช้าออกบินตาบาทในบ้านฉันแล้วเดินทางต่อเดินมาได้หนึ่งกิโลเมตรกําลังแดดจับนั่งพักอยู่ร่มไม้แห่งหนึ่งพอสมควร เวลาประมาณห้าโมงเย็นฝามืดคลึมคล้ายฝนะตกสิทธิ์ที่เป็นเด็กเหนื่อยเต็มทีไม่ยอมไปพักในป่าขอตัวจะขึ้นรถไปจังหวัดขอนแก่นกน่อนแต่เมื่อเรียกรถทุกคันก็ไม่มีคันใดหยุดหลับสักครู่หนึ่งเกิดมีพายุลมฝนตกใหญ่เด็กได้เข้าอาศัยพักในบ้านโยมแต่บ้านหลังนั้นได้ถูกลมพัดหลังคาเปิดตัวเองกับพระจูมเดินมาพักข้างทางรถยนต์ ถิ่งกระต๊อบหลังหนึ่งกว้างประมาณหนึ่งเมตรยาวสองเมตรครึ่งมุงด้วยหญ้าคาฝนตกหนักพายุแรงพัดกิ่งต้นหลังคาได้ชวนประชุมพักที่กระต้อบท่านจูมกั้นกดพักอยใต้หลังคากระต้อซีกหนึ่งอีกซีกหนึ่งเรายืนพักอยู่ลมพัดมาอย่างแรงหลังคาซีกกั้นจูมกั้นกดลมพัดตีผิวไปกลางทุ่งครู่เดียวต้นแตงลังคักฟาดออกมาท่านจูมได้วิ่งมาหาเรา กระสอบนั้นอาศัยไม่ได้ได้วิ่งไปพักใต้กอเป็นจม่าหลบอยู่อย่างสบายทั้งหนาวทั้งสั่นประมาณหนึ่งชั่วโมงลมเงียบฝนหยุดตกผ้าผนเปียกเปียได้หากระสอบพบอีกครั้งหนึ่งจึงก่อไฟขึ้นแล้วนอนอยู่ในกระสอบกลางาคืนฝนตกลงมาอีกรุ่งขึ้นก็เดินทางมาอำเภอจุมเพสส่วนเด็กที่ติดตามเดินไม่ไหวได้ส่งขึ้นรถไปคอยอยู่จุมเพส จึงต้องเดินทางกับพระจูมเพียงสององค์เวลาตอนเย็นประมาณห้าโมงถึงอำเภอจุมเพทับราศีเป็นบิดยังไม่หายดีหน้าซีเซียวแล้วได้พักอยู่อำเภอจุมเพจนสบายพอสมควรได้ทราบข่าวการจัดงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จว่าจะจัดทำในเร็วๆนี้จึงออกเดินทางจากขอนแก่นโดยขบวนรถเร็วถึงกรุงเทพดาวเดินเมษายนพศ2497มาถึงวัดบรมีวา คณะส่งได้หาเรื่องงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จวันนั้นได้มีการประชุมพระเทระชั้นผู้ใหญ่รวมสิเอดโรคตั้งคณะกรรมการดำเนิน ง, งานนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วได้มาประชุมที่หอเกียวมีสมาชิกสมาคมอีสานไปร่วมประชุมกันประมาณหนึ่งร้อยคนนายเลื่อนบูวสวรร์เป็นประธานพอผ่านขึ้นหอเกียวได้เห็นพระธรรมปิศกและพระธรรมดิศนั่งอยู่ในที่ประชุมด้วย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 ตายไปแล้วร้อยกว่าวันครูบาอาจารย์และพวกสมาคมมานั่งฟังอยู่ผมไม่ได้ยินว่าได้ปรับเพื่อทํางานพระราชทานเพิงศพสมเด็จเลยสร้างโรงพยาบาลนั้นผมฟังดูว่าได้ตาง้งงบประมาณเจ็ดแ0นบาทแต่งบ ป, ประมาณของสมเด็จไม่เห็นมีใครตั้งผมเสียใจมากขอโอกาสพูดด้วยพอพูดเสร็จแล้วหมอผลพูดว่า เรื่องนี้ได้เรียนจอมพลผินแลย ว, ว่าเงินไม่พออยากเก็บเงินในงานนี้ไปสมทบท่านจึงได้อนุโมทนามาหนึ่งหมื่นบาทถึงได้พูดเรื่องนี้ขึ้นเลยต่อไปว่าผินพันธ์นไม่รู้ไม่ใช่เรื่องโรงพยาบาลแต่เป็นเรื่องศพได้ยินอยงนี้หมอฝนก็ลุกหนีไปไหนเลื่อนนั่งนิ่งพูดว่าเมื่อเป็นดังนี้อาจารย์ว่าอย่างไรถ้าคุณทํำนิลกเจ้าคุณยานนั่งนิ่งกันหมด เขาถามอีกว่าอาจารย์จะให้ทำอย่างไรจึงได้ตอบเขาว่าเรื่องโรงพยาบาลไม่รังเกียจขอเอาไว้พูดทีหลังเพราะศพสมเด็จยังเหม็นอยู่ควรทำเสียก่อนเมื่อพูดจบแล้วคุณนายตุ่ยยกมือเห็นด้วยอยู่ข้างหลังได้ที่ประชุมบันทึกการประชุมไว้รวมสามข้อคือหนึ่งเงินจะได้มาโดยวิธีใดขอให้รวบรวมทำศพสมเด็จเสียก่อนจนเป็นที่พอใจของคณะกรรมการ สองเมื่อมีเงินเหลือจากการทําศพให้ตางคณะกรรมการพิจารณามอบหมายเงินขอน้อนี้ให้ลงพิจารณาต่อไปสามไม่ต้องให้เหลยก็ได้เมื่อได้บันทึกสามข้อเนเสร็จแล้วได้มีคนคนหนึ่งถามขึ้นว่าศพนี้ใครเป็นคนทำํำก็ไม่มีพระองค์ใดตอบจึงได้ตอบแทนว่าคณะสงฆ์วัดบรมเป็นผู้ดำเนินทำมหาวิเชียนทํางานอยู่กระทรวงวัฒ น, นธรรมได้พูดขึ้นว่าท่านเป็นพระท่านจะทําศพ ท่าจะใช้ใจ่ายเงินได้อย่างไรจึงได้ตอบเขาว่ามือของฉันมีมากกลัวแต่จะไม่มีเงินเก็บฉันเก็บไม่ได้ใช้ไม่เป็นสิทธิ์ของฉันมีได้ฟังดังนี้มหาวิเชียนเลยเงียบเในที่สุดวันนั้นจึงได้เสนอว่าคณะกรรมการก่าวขอยกเลิกขอตั้งใหม่มอบให้จ้าคุณทํามบิ๊กเป็นประธานแล้วก็เลิกประชุมลุเงเงินช้าวันนั้นได้เดินทางท่านจ้าคุณทํามบิ๊ก